โมทนาบุญกับญาติธรรมเจ้าหน้าที่พนักงานสมาชิกชมลมศึกษาปฏิบัติธรรมทุกๆท่านก็รู้สึกยินดีนะที่ได้มีโอกาสมาที่ธนาครารแห่งประเทศไทยเป็นครั้งที่สองจำได้ไหมครั้งที่แล้วมาครั้งหนึ่ง <G ül üyor> ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีทีไ่ได้มาร่วม อนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านก็เหมือนเดิมไมไ่มีหัวข้อในการพูดแต่ว่าตั้งใจไว้ก่อนว่าสิ่งที่พูดในวันนี้ที่ว่าจะพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังคือฟังแล้วสามารถนำเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะแก้ปัญหาจิตใจได้เรื่องที่พูดนี้ก็ไม่เกินเกี่ยวกับเรื่องธรรมะ ธรรมะเป็นเรื่องของตัวเราเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาชีวิตธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์แล้วก็ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเราโดยตรงท่านไม่ได้เน้นให้เราไปรู้เรื่องอื่นแต่รู้เรื่องการแก้ปัญหาชีวิตของเราพูดถึงธรรมะเนี่ยเปรียบเสมือน กระจกกระจกที่เป็นเงาสะท้อนจิตใจเราหรือว่าเป็นกระจกส่องใจก็ได้จะได้รู้ว่าชีวิตจิตใจของเรานี้เป็นอย่างไรชีวิตเป็นเรื่องของกายกับจิตแต่ว่าตัวแท้ที่แท้จริงนั้นคือชีวิตด้านจิตใจเข้าใจยินไหมชีวิตจิตใจชีวิตจิตใจ มันตัวหัวหน้าสำคัญของชีวิตคือตัวจิตตัวใจนั่นแหละธรรมะเปรียบเสมือนกระจกส่องใจเรากระจกภายนอกก็ส่องได้เฉพาะรูปร่างหน้าตามันก็รู้ได้แค่สิ่งภายนอกแต่ว่าธรรมะเนี่ยรู้ถึงจิตถึงใจเลยรู้แล้วแก้ปัญหาชีวิตได้นั่งตสบายนะเป็นกันเองคุยสบาย ธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้นั้นมีทั้งหมดตั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เคยได้ยินไหมโอ้เยอะมากเลยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยท่านจะสรุปสรุปลงเหลือสามคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาศีล คือว่เรื่องวินัยสมาธิว่าได้เรื่องพระ ส, สุตตันตปิฎกเรื่องของจิตใจล้วแล้วก็ตัวปัญญาคือตัวพระอภิธรรมปิฎกนะซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับตัวเราทั้งนั้นสีมิไว้ควบคุมกายวาจาสมาธิควบคุมจิตปัญญาเรื่องการรู้แจ้งทั้งกายทั้งจิตสรุปเหลือสามก็ยังไม่จบ ยังต้องสรุปออมาอีกเหลือสอง <c oughs> จากศีลสวสรรคที่ปัญญาซึกเกี่ยวข้องกับตัวเรานั้นสรุปได้เหลือสองแปดหมื่นสี่พันธรรมะคันเหลือสองคือรูปกับนาม <c oughs> รูปคือร่างกายของเรานามคือจิตคือใจเกี่ยวข้องกับตัวเราละเอียดมากเลยสองอยังไม่พอย่อละมาเหลือหนึ่ง <c oughs> เนี่ยขมวดละมาเหลือหนึ่งคือ ความไม่ประมาทดูนะเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่พระพุทธองค์ได้มอบไว้ให้กับสาวกทั้งหลายท่านเตือนไว้ว่าก่อนจะเสด็จหลับการปฏิญญาพานท่านตัดเอาไว้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสรุปลงคําเดียวคือความไม่ประมาท จะต้ า, าตัวเรานะไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือการดำเนินชีวิตอย่างไม่ขาดสติก็มไม่ประมาทคือการมีสตินั่นเองประมาทคือการขาดสติความไม่ประมาทคือการมีสติเนี่ยรืองหนึ่งเดียวนะแ0ดมสี่พันรรประคั้มีสติคาเดียวเป็นยาทั้งตู้ยา อย่าสารพัดโลกสับประทุกสับประโลกดับด้วยสติทนั้นง่ายนะเหลือตัวเดียวแล้วสตินี่ไม่อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราอยู่รอบรอบตัวเราที่ตัวเราได้ซ้ำไปเรื่องของสติเองนะเขาบอกกมาสั้นนิดเดียวสติคือความระลึกได้สตินี่ไว้ทำไมสติมีไว้เพื่อมารู้จักตัวเรามารู้จักตัวเรา สติเป็นผู้ที่นำปัญญามาแก้ปัญหาชีวิตได้ทันท่วงทีคนที่มีปัญญามากๆ ม, มีความรู้มากๆแต่ขาดสติมันก็ดับเอาปัญญามาใช้ได้ไม่ทันท่วงทีเหมือนเงินอยู่ในธนาคารมีปัญญาอย่างเดียวเหมือนมีเงินอยู่ในธนาคารถ้ามีสติด้วยเหมือนมีเงินอยู่ในกระเป๋าพร้อมจะหยิบใช้ได้ทันทีเลย นั้นสติปัญญาก็เป็นของคู่กันสรุปมาก็เรื่องของตัวเราการมีสติคือการให้มารู้จักตัวเราดีนะถ้าเรารู้จักตัวเราได้เนี่ยเราจะไม่ทุกข์รู้ความจริงของตัวเราคือเรื่องของกายเรื่องของใจรับรองทุกข์ไม่รบกวนตามธรรมชาติของกายของจิตเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนะ เราอยู่ในกองทุกข์แต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาทุกข์ไม่มีที่ตั้งทุกข์ตั้งเฉพาะกายเฉพาะจิตแต่สติปัญญาที่รู้แจ้งว่ากายจิตไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วไม่มีตัวตนแล้วทุกข์ไม่มีที่ตั้งถ้ารู้จักตัวเรามืออะไรล้วก็เราจะพ้นทุกข์พ้นทุกข์แล้วไม่ต้องหาความสุขที่ไหนหรอกสุขก็จะมาแทนที่เองทุกคนเนี่ยมีความสุขอยู่แล้วแต่ว่า สุขไม่มีโอกาสแสดงตัวเพราะว่าถูกความทุกข์กินเนื้อที่ไปทั้งหมดถ้ารู้จักตัวเราแล้วก็ทุกข์จะไม่เกิดคนที่มีความทุกข์มากเพราะไม่รู้จักตัวเราไม่รู้จักเครื่องของกายไม่รู้จักเรื่องของจิตชีวิตจึงอับเฉาวันนี้ก็จะมาบอกมาแนะนํามาแบ่งปั น, นวิธีการดับทุกข์ด้วยการมารู้จักตัวเรา จะดับทุกได้นั้นจะต้องสร้างเหตุสร้างวิธีทางก่อนทุกจะดับโดยคิดเอาไม่ได้แต่ต้องมีวิธีการวิธีการที่จะไปสู่ความพ้นทุกแต่ก่อนอื่นต้องรู้จักตัวเราก่อนมีท่านผู้รู้นะเรื่องการรู้จักตัวเราเนี่ยมีท่านผู้รู้ได้แนะนำไว้สามวิธีที่จะมารู้จักตัวเราวิธีที่หนึ่งก็คือ ให้สังเกตดูสังเกตดูคนรอบตัวเราเขามีปฏิกิริยากับเราอย่างไรเราจะเริ่มเข้าใจตัวเราได้นะคนรอบตัวเราเนี่ยเป็นกระจกสะท้อนอุปนิสัยของเราก็ได้ถ้าเราเคยทําอย่างไรกับคนรอบตัวไว้สิ่งนั้นก็จะมาปรากฏกับเราเนียเขาแสดงออกกับเราเหมือนกันเราแสดงออกกับเขาอย่างไงเขาก็แสดงออกกับเราเหมือนกันเรายิ้มให้เขา เขาก็ยิ้มให้เราอย่างตอนนี้ผมยิ้มให้หลายคนก็ยังไม่กล้ายิ้มยิ้มได้ไม่ต้องเคลียดถ้าผมนั่งหน้าเคลียดสักคนเดียวเนี่ยรับรองห้องนี้กลายเป็นนรกเลยนะมันร้อนเรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราเราพูดจาไพเราะกับเขาเขาก็พูดจาไพเราะกับเราเราช่วยเหลือเขามีน้ำใจต่อเขาเขาก็จะมีน้าใจกับเราเห็น ไ, ไหม เราจะสังเกตตัวเราได้เราเป็นคนอย่างไรสังเกตคนรอบข้างก็ได้คนใกล้ตัวเราเนี่ยสอบอารมณ์มาดีนะแต่นี่ก็ยังไม่แน่นะบางทีเราปรารถนาดีกับเขาเขาอาจจะไม่ปรารถนาดีกับเราก็ได้มันไม่แน่เสมอไปแต่ว่าฟังเข้าๆไว้ผู้รู้เขากล่าวไว้หรอกไว้จำเอามาเผื่อจะเป็นประโยชน์นั่นเป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองนี่ก็ ต้องเปิดใจกว้างรับฟังคำแนะนำหรือคำตักเตือนจากกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็คือผู้ที่หวังดีต่อเราผู้ที่จริงใจกับเราคเนี้คนที่สอนีง่ง่ายๆไม่ต้องทำอะไรเลยนะฟังเขาว่าฟังเขาพูดสบายเลยคนฟังก็าพูดเนีเก็บข้อมูลได้เยอะยิงเข้ามา ตํหนิติเตียนแล้วเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีเขาชี้กลุ่มซับให้เราจะได้เห็นข้อบกพร่องในตัวเราถ้าเขาชี้ถูกต้องก็ถูกถ้าเราไม่เป็นอย่างที่เขาชี้เขาก็ชี้ผิดไม่ได้ชี้ถูกไม่ได้ดูถูกเราต้องรับฟังเราจะได้เห็นข้อบกพร่องของตัวเราแล้วก็จะได้แก้ไขสรวจดูแล้วเหมือนเขาเตือนสติเรานะเขาบอกปั๊บ เตอนเราปับ๊บเราก็สังเกต ด, ดูเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมถ้าเป็นเราได้แก้ไขได้ทันท่วงทีก่อนที่เหตุการณ์มันจะมากขึ้นกว่านี้คําจริงใจบางทีคําพูดอาจจะราคายหูอาจจะใช้ภาษาพ่อคุณรามบ้างคุณพ่อคุณแม่เตือนเราเป็นต้นอาจจะใช้ภาษาพ่อคุณรามที่จริงภาษาพ่อคุณรามเนี่ยเป็นภาษาที่เป็นญากกันอย่างยิ่งนะ <c oughs> คำจริงใจอาจจะเป็นคำพูดที่ร ะ, ะคายหูคนจริงใจเนี่ยไม่จะพูดไม่ค่อยเพราะใช่มบางทีก็พูดไม่ไปเลาะนะจริงใจมากบางคนที่ปลิ้นปล้อนโกหกหวังจะได้ผลประโยชน์เราเนี่ยเขาจะพูดเพราะมากพูดอย่างหน้าฟังเพราะนั้นคำจริงใจอาจจะไม่ถูกต้องสำหรับเราสูงหรืไปก็ได้ คำจริงใจอาจจะไม่จริงคำพูดที่ไพเราะเนี่ยเป็นคำที่อาจจะไม่จริงเสมอไปคนที่มีความจริงใจมันทีพูดไม่ไพเราะเนี่ยเพราะนั้นให้เราสังเกตดูตัวเราเขาพูดมาเราสังเกตดูตัวเราเขาแหะสังเกตดูตัวเราเป็นจริงไหมเท่ากับเขาชี้กลุ่มรัพย์ให้ในี่เป็นวิธีที่สอง้วก็หาได้ง่ายๆปังอย่างเดียวนันอย่างพูดวันเนี้ย ก็พูดด้วยความจริงใจถ้ามันไม่ถูกกับใจเราก็ไม่ เ, เป็นไรหรอกฟังแล้วก็ผ่านเลยไปถ้ามันถูกมิเป็นประโยชน์ก็นาไปใช้วิธีที่สามเป็นวิธีที่ตรงที่สุดเลยตรงที่สุดเลยคือการเฝ้าสังเกตดูดูความรู้สึกของเราด้วยจิตใจที่เป็นกลางเราต้องเป็นกลางต่อตัวเรานะถ้าเราอยากจะรู้จักตัวเราจริงๆ เฝดูความรู้สึกของเราที่ออกมาจากจิตจากใจเนี่ยด้วยใจที่เป็นกลางไม่มีอคติกายใจเราแสดงอาการอย่างไรก็ให้รู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นที่ใจเราสําคัญมากก็ต้องอาศัยการมีสติ <c oughs> มีสติ ร, รู้สึกเรามาัดระวังจิตใจของเราอันนี้ตรงมากเลยเราจะเรียนรู้ตัวเราด้วยตัวของเราเอง ไม่ต้องร้อยคนอื่นเข้ามาตําหนิไม่ต้องร้อยคนอื่นก็มาเตือนเรารู้จักตัวเราได้ไม่ต้องคอยพึ่งใครเราพึ่งตัวเราเองต้องไตตัวสติมาแล้ว ล, ลึกลงไปที่กายที่ใจของเราโดยเฉพาะที่จิตที่ใจเพราะปัญหาของเราเนี่ยที่ไม่รู้จักตัวเราเนี่ก็คือเรื่องของจิตใจที่ไม่ได้อยู่กันเนื้อกับตัวสังเกตดูเวลาที่มีอารมณ์มากระทบทางตา ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและความคิดที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจเราพอกระทบปั๊บใจเราตีความเลยชอบไม่ชอบถ้าชอบใจก็อยากได้สุดโตรงไปเลยแสวงหาหาซื้ออยากไปเจ้าของหมดเนื้อหมดตัวไปกับความอยากความต้องการความพอใจเนี่ยอันนี้สุดโตงไปได้หนึ่งเพราะขาดสติรู้ไม่ทันจิตใจ เรื่อบงทีเวลาเกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจมากระทบใจเรารับกระทบทันทีเกิดความไม่พอใจแล้วก็หลงสุดโต่งไปความไม่พอใจหมดเนื้อหมดตัวไปเลยพูดมาทางวาจากระทําทางกายแลว้วก็เกิดปัญหามันก็พาเราไปเป็นทุกข์จะพอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีก็จิใจก็เหน็ดเหนื่อยเท่ากันพอใจก็เหนื่อยไม่พอใจก็เหนื่อยเห น, นื่อยเท่ากัน มีราคาเดียวกันแหละแต่เราไม่มีสติแล้วก็หลงไปกับความรู้สึกแบบนี้จึงเป็นทุกข์เพราะว่าเรารู้ไม่ทันจิตไม่ทันใจเราถ้ารู้ทันจิตทันใจเราด้วยการมีสติรู้ทันเมื่อจิตเกิดอาการพอใจหรือไม่พอใจมันจะหยุดอยู่แค่นั้นหยุดอยู่ตรงแค่ชอบใจไม่ชอบใจจบไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องไปแก้ปัญหาอะไรสติจะรู้ทัน พอสติรู้ทันแล้วมันจะเกิดปัญญาแก้ปัญหาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราพอใจเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราไม่พอใจบางทีปล่อยไปได้เลยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องก็ได้ถ้าสิ่งนั้นไม่มีความจําเป็นตระบัดชีวิตของเราสำคัญสติควบคุมจิตควบคุมใจเท่านั้นให้รู้ทันจิตทันใจเราเราจะรู้จักตัวเราเองด้วยการมีสติรู้เท่าทันใจเราว่าเราเป็นคนแบบไหนก็รู้ตรงนี้แหละ แต่และคนเนี่ยมีอุปนิสัยใจคอนิ่ต่างกันมากท่าแท้งแต่และคนเนี่ยมาไม่เหมือนกันถ้าเรามีสติรู้ทันใจรู้ทันความรู้สึกของเราเนี่ยจะรู้จักท่าแท้ของเราท่าแท้คืออุปนิสัยที่แท้จริงของเราต้องรู้จักตัวนี้ก่อนเรื่องของท่าแท้แอุปนิสัยนั้นเราพุทธองค์ท่านกำหนดไว้ว่ามันคือจริตจริตมีหกชนิดที่ พระพุทธองค์้ตัสเอาไว้หกชนิดชนิดที่หนึ่งคือราคะจริตราคะจริตคือพู้นี้คือชอบรักสวยรับงามชอบความสวยงามชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยอารมณ์สิริ ป, ปินมองโลกในแง่ดีพู้นี้ง่ายที่จะมีความสุขพู้นี้ง่ายที่มีความสุขไม่ผิดนะราคะจริตก็ไม่ผิดมันผิดแต่เราไม่รู้เท่านั้น พมิวเราก็ทําตามอาการเหล่านั้นจนเราลืมเนื้อเรืมตัวพอรู้ทันมาอ๋อนี่เราเป็นคนที่ชอบสวยชอบงามชอบความเรียบร้อยมองรอดในแง่ดีเพียงแค่ปัดกวาดพื้นก็มีความสุขแล้วจัดหนังสือเข้าโต๊ะเข้าตู้ก็มีความสุขพับเสื้อผ้าแขวนเสื้อผ้าเรียบร้อยจัดบ้านจัดสถานที่ก็มีความสุขได้นะเนี่ยหาความสุขได้ง่ายเมื่อราคาจริตเนี่ยเราก็มีนะ บางอย่างเราก็ราคาจลิตมากเลย <c oughs> ใครมาเกี่ยวข้องไม่ได้หมวกต้องวางตรงนี้ <c oughs> ถ้ายึดมั่นถือมันเกินไปเราก็จะเป็นทุกข์เมื่อไม่ได้อย่างใจเราประเภทที่สองก็คือโทสะจลิตนี่มีอบนิสัยที่โกรธง่ายขี้โกรธร้อนไปหน่อยก็โกรธหนาวไปหน่อยก็โกรธอะไรไม่ได้ยางใจก็โกรธตะพื้นโกรธง่ายใจร้อน โทสะจิตใจร้อนหุนหันพันแล่นโกรธซะก่อนแล้วค่อยมีสติที่หลังโกรธซะก่อนทําลายซะก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาที่หลังเนืงคนที่ขี้โกรธเนี่ยใจร้อนหรือโทสะจิตเนี่ยจํำคนที่ชอบความรุนแรงชอบทําลายชอบมองโลกในแง่ร้ายและใจก็เป็นทุกข์สังเกตดูผิวหน้าไม่ค่อยผ่องใสคนที่มีความโกรธเป็นเจ้าเลือนเป็นอารมณ์เนี่หน้าตาไม่มีความสุขไม่ผ่องใสหน้าเนี้วหัวคิ้วผูกโบทั้งวัน เกียดไม่งามหาความสุขได้ยากมากเพราะมองโลกในแง่ร้ายพูออ้เราตัดได้ว่าเราจะฆ่าอะไรจึงจะมีความสุขท่านบอกจากไว้ว่าโกรธทางคตวาสุ ข, ขังเสติฆ่าความโกรธเสียได้เราก็จะอยู่เป็นสุขนะการฆ่านั้นไม่ใช่ไปทำลาย ฆ่าความโกรธจิตที่คิดจะฆ่าความโกรธนั่นคือโกรธซ้อนโกรธจิตทิ่จะฆ่าก็เป็นจิตที่โกรธแล้วแต่ว่าถ้ามีสติรู้ทันอ๋อนี่จิตมันโกรธแล้วนี่จิตมันโกรธมันไม่ใช่เรากรดหรอกเรื่องของจิตที่มันโกรธเรื่องของเรานี่คือรู้ว่าจิตมันโกรธนะถอยหลังไปอีกหนึ่งขณะหนึ่งได้เปรียบไม่ต้องเข้าไปเป็นผู้โกรธแต่เป็นผู้ที่เห็นในความโกรธถนัดแล้วฆ่าแล้ว ข้าวบๆมันก็ไม่เกิดกรี๊โกรธที่ไรเราเห็นทุกทีโกรธทีไลเราเห็นทุกทีโกรธทีไลเห็นทุกทีแม้ครั้งที่สี่ที่ห้าที่หกต่อไปความโกรธไม่กล้ามามันอายกลัวเราเห็นเห็นไหมเราเห็นใครที่แอบทำลายเราเห็นบ่อยๆเขาก็ไม่กล้ามาแอบทํำลายแล้วกลิ่นที่สามก็คือโมหะจริตโมหะจริตนี่มีปุปนิสัยที่เสื่องซึง้งงอยเหงาไม่ค่อยตื่นอ่ะ ม่วงหอห้องนอนนั่งที่ไหนก็แปะที่นั่นจะหาทางที่พานอยู่เร <c oughs> ื่อยคือหลาบโมหะจลิตเป็นคนที่ง ม, มงายไม่ค่อยคิดอะไรไม่ค่อยคิดอะไรเพราะวิ่งจะคิดอะไรหาเรื่องคิดไม่ได้ไม่คิดอะไรก็เลยทำให้หลับง่ายไหมถึงเวลาพอหัวถึงนอนปับ๊บหลับเลยนั่งที่ไหนก็หลับไม่ถึงเวลานอนก็หลับนี่เรียกเป็นโมหะจริตนย แก้ไขได้นะไม่เป็นไรหรอกถ้ามีสติรู้ทันว่าเราเป็นคนง่วงเหงาซึมเศร้าหรือไม่เคยตื่นเนี่ยสติเนี่ยเป็นสภาพที่ตื่นรู้ถ้ามีสติรู้ทันความเสื่องซึมความซึมเศร้าแล้วก็จิตมันก็ตื่นออกมาทิ้งความซึมเศร้าไว้เป็นเพียงแค่อารมณ์ให้สติได้รู้เท่านั้นเองอันนี้เป็นเวทีสามกลิ 3. ตนที่สี่ พวกนี้พวกเจ้าปัญญาเรียกว่าพุทธิจริตพวกเจ้าปัญญาชอบหาเรื่องต่างมาคิดเป็นเหตุเป็นผลชอบค้นคว้าชอบคิดชอบวิจัยวิจารเนี่พวกปัญญาปัญญากล้าพวนี้มีความหนักแน่นนะเป็นตัวของตัวเองมากเป็นตัวของตัวเองไม่เชื่อใครใง่ายไม่เชื่อใครง่าย เป็นผู้ดีมตัวตนสูงเลยนะ ต, ตัวตนสูงมากผู้เจ้าปัญญาเนี่ยตัวเองไม่ค่อยผิดหรอกตัวตนสูงชอบถกเถียงชอบโต้แยง้งไม่จะเกะิดขึ้นกับพวกปัญญาชนอะมีความรู้มากแต่ทําอะไรไม่ได้มากหรอกแต่รู้มากปัญญาชนคือมีปัญญาไว้ชนคนอื่นนะ่ะปัญญามันไม่เอาไว้ชนกิเลสแต่กลับมีปัญญาเพื่อให้กิเลสมันชนแล้วก็สูนกิเลสไม่ได้ ปัญญาชนหรือพวกที่เป็นปุธิจริตปัญญาเนี่ยปัญญามากเนี่ยจะโกรธง่ายนะเจาชนะอย่างเดียวจะไม่ยอมแพ้เจ้าเหตุเจ้าผลแล้วสิแล้วตัวเองเป็นทุกข์ก็ไม่รู้บอกเขาได้แต่แก้ไขตัวเองไม่ได้ปัญญาชนจริตที่สี่นะเนี่ยจลิตที่ห้านี่ก็เรียกว่าศรัทธาจลิตผู้นิดใจอ่อน เชื่อง่ายจิตใจหวั่นไหวได้ง่ายศรัทธาจริตเจอได้ยินได้ฟังอะไรก็เชื่อตะพื้นตะพื้ข่าวโคมลอยก็เชื่อมีเรื่องขลังศักดิ์สิทธิ์วิเศษที่ไหนก็เชื่อแล้วก็ไปกันพากันไปนเชื่อมาดูนี่ก็เหมือนกันนะศรัทธาจริตเชื่อง่ายคนนี้ไม่ค่อยมีพิษมีภยัยจะสังเกตดูเนี่ยคนในครบอบครัวเราเนี่ยมีคุณแม่ใช่ไหม คุแม่นจะเชื่อง่ายเชื่อเราง่ายใจอ่อนสลับเราเสมอศรัทธาจริตสลับเราแต่จะไม่ศรัทธาจริตสลับพ่อเราก็ได้ <c oughs> ไม่ค่อยเชื่อพอ่อเชื่อลูกจริตสุดท้ายคือจริดที่หกก็คือวิตกจริดคือวันนี้ชอบคิดฟุ้งซ่านหาเรื่องมาคิดอยู่เฉยเฉก็หาเรื่องมาคิดคิดแต่เรื่องวิตกกังวลมองโลกในแง่ลบอยู่เรื่อย กังวลเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วแก้ไขไม่ได้ก็ขอให้กังวลไว้ก่อนมันก็จึงจะมีความสุขได้หรือกังวลเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นนอนไม่หลับกินไม่ได้ก็เพราะเรื่องอนาคตกังวลในเรื่องปัจจุบันที่เกิดขึ้นยังไม่ทันเข้าไปแก้ไขหรือรู้เท่าทันเลยกังวลซะก่อนร่วงหน้าแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังคนนี้ชอบคิดฟุ้งซ่านสร้างความทุกข์กับตัวเองคนนอนไม่หลักก็เพราะวิตกจริตนี่แหละชอบคิดมาก คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองจิตใจว่าว่าแย่ๆจับๆจดๆเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ลังเลสงสัยเสมอๆ ม, มันเกิดขึ้นที่จิตใจเราตรงนั้นถ้าเราขาดสติเรารู้ไม่ทันหรอกสิ่งเหล่านี้คือตัวเราทั้งหมดเลยแต่ถ้ามีสติปั๊บจะเห็นว่าไอเนี่ยคือเป็นเพียงแค่อาการของจิตเตอมปรุงแต่งเท่านั้นเองจะรู้ทันคือคนคนหนึ่งเนียอาจจะมีทุกข์จริก็ได้นะ มีทุกจิติก็ได้นะแต่ว่าจะมีไม่เท่ากันบางจริติถอาจจะเด่นจิติถที่เด่นนั่นแหละคืออุปนิสัยทาแทะของเรามันจะเด่นมันจะเป็นหนึ่งอยู่เสมอสังเกต ด, ดูพอกระทบอารมณ์ปับ๊บเกิดความชอบใจหรือไม่ชอบใจหรือสงสัยหรือไม่รู้อะไรเลยก็มีขึ้น อ, อยู่กับว่าจิติถไหนมันจะเด่นในจิตในใจเราเพราะฉะนั้นไม่ผิดนะทุกจิตวีมีได้ ถ้าไม่ได้มีได้แต่เราสามารถที่รู้เท่าทันได้ถ้ารู้ทันเมื่อไหร่เราก็จะแก้ปัญหาจิตใจเราได้เปลี่ยนให้จริตขเรานี่ดีขึ้นก็ได้หรือให้ถึงที่สุดก็คือไม่ยึดติดในจริตของเราไม่ยึดติดเลยคือสักแต่ว่าอาการของจิตเท่านั้นไม่ต้องสงสัยรู้แล้วก็ทิ้งไปได้เลยไหนใครมีนอ้อยจากหกจริตนี้ไหมผู้ที่องตัดไปหกจลิตนี้นะ แต่ว่ามันไม่แน่นะมันมีอิจริตหนึ่งนะ่ะเป็นจริตพิเศษอนะ่ะซึ่งผมเห็นว่ามันมีเยอะคือชอบทําอะไรแปลกๆชอบมีโลกส่วนตัวชอบสร้างปัญหาให้กับคนอื่นอนะ่ะมีจริตหนึ่งเรียกว่าวิกลจริตจริตนี้ยังหาไม่ได้ในพระไตรปิฎกนะผมคิดเอามาพูดเองนะ ม, มันมีนะพวกวิกลจริตเนี่ยมันเรนนี้ชักเยอะขึ้น วิกลจริตเพราะไม่รู้เท่าทันจริตทั้งหกจึงเกิดจริตพิเศษขึ้นเป็นจริตที่เจ็ดเกิดอาการวิกลจริตกล้องเรียงคิวตั้งเข้าโรงพยาบาลแต่ตอนออกนี่ไม่ได้เรียงคิวออกออกทีละคนแต่การเข้านี่เข้าเยอะเลยมาดูว่าโรงพยาบาลจิตเวชเขาไม่ได้ไปหาหมอโรคจิตนะหมอไม่เป็นโรคจิตหรอกคนก็เรียกจิตเวชคนเป็นโรคจิตเข้าไปหาหมอ ไม่จะไปไหนไปหาหมอโรคจิตจะไปทาไมหาหมอโรคจิตมีเยอะเดนนี้สมัยนี้เพราะาอะไรเพราะว่าขาดสติรู้ไม่ทันจิตใจตนเองจิตใจพ้ายจิตนะผิดปกติถ้ามีสติรับรองว่าจิตใจเนี่ยจะเป็นปกติมากจิตที่เป็นปกตินี่สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ดีมากจิตที่เป็นปกตินั้นเป็นจิตที่เบิกบาน จิตที่เป็นปกตินั้นทํางานได้สมบูรณ์ที่สุดเลยความผิดพลาดจะไม่ค่อยมีจิตเราถ้ามีสติคุ้มครองอยู่รู้เท่าทันจิตใจเราเมื่อไหร่แล้วก็แม้ว่าอารมณ์ภายนอกจะดีหรือไม่ดีนั้นไม่สําคัญเป็นเพียงแค่สิ่งที่ผ่านมาเท่านั้นเป็นเพียงแข่ที่จอนมาเราสามารถทํางานด้วยจิตเป็นปกติได้ในท่ามกลางที่งานมันสับสวนวุ่นวายจะรู้เท่าทันใจเราแล้วก็รู้เท่าทันหน้าที่ต่างๆที่เกิดขึ้น เรื่องราวที่เกิดจากภายนอกเนี่ยเราแก้ไขมันไม่ได้หรอกมันย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเราจะไปแก้ไขสิ่งภายนอกได้ยงใจเราเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเพียงแต่เราแก้ไขที่ใจเราคือให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ข้างนอกซะว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะจิตใจเราเป็นปกติแล้วเราจะสามารถแก้ปัญหาได้ดีที่สุดเลยแม้ั้งเพื่อนร่วมงานของเราการทำงานก็จะมีความสุขขึ้น งานมันจะวุ่นวายแต่ใจเราไม่วุ่นวายทำงานกับคนที่ฟุ้งซ่านแต่ใจเราก็ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอยู่ในถามกลางความวุ่นวายด้วยใจที่มันสงบนิ่งมีสติรู้ตัวอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องข้างนอกเนี่ยมันแก้ไขได้ยากมากเราจึงจะเป็นต้องมีสติคุ้มครองจิตใจเอาไว้คนที่เขาพูดดีมันก็เรื่องของเขาใจเราก็ไม่ได้ดีไปด้วยแต่ว่ารู้เท่าทันคนที่พูดไม่ดี ใจแล้วก็เป็นปกติไม่ใช่ไปไม่ดีไปด้วยหรือคนเขาเฉยๆกับเราใจแล้วก็เป็นปกติได้คนในโลกเนี่ยมันเครียดสองอย่างคือเครียดกับงานแล้วเครียดเรื่องของงานเครียดกับงานเรื่องของงานคือองค์กรต่างๆบุคลากรต่างๆเครียดกับงานยังพอทนได้แต่เครียดกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยโอ้มันเครียดหนักเลและต้องเจอทุกวันเพื่อนร่วมงานรวมทั้งครอบครัวเราด้วย เพราะนั้นคนที่มีสติคุ้มครองใจเอาไว้แม้ว่าสิ่งนั้นจะมากระทบอย่าง ก, ก็ตามจิตจะไม่กระเทือนนะคนในโลกเนี่ยเขามีความรู้สึกกับเราเนี่ยสามประเภทคนในโลกทั่วไปเนี่ยสามประเภทที่รู้สึกกับเราคนที่รักเราชอบเรานิยมเราก็ก็พูดจาดีสั่เสิร์ญเยินยอสารพัดอยา่างมีไหมนี่ก็เพศหนึ่ง ประเภที่สองคือคนที่ไม่ชอบเราไม่ชอบเราในใจแอบไปนินทาว่าร้ายตำหนิติเตียนเราก็มีมีไห ม, มบางประเภทนี่เฉยๆกับเราก็มีทั้งสามประเภทเนี่ยพูดดีกับเราก็ถูกของเขาชอบเราก็ถูกองเขาเขาไม่ชอบเราก็ถูกขเขาเขาเฉยๆกับเราก็ถูกขเขานะถูกเขาทั้งหมดเลยเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากรับรู้รับทราบไว้รักษาใจเป็นปกติ รู้เท่าทันในอาการของคนสามประเภทนี้ว่าในโลกนี้มันเป็นธรรมดาแต่เราจะไม่ขึ้นลงตามสิ่งที่เขาพูดเราจะมีชีวิตเปล่าไว้กับสายตาคนอื่นมีชีวิตเปล่าไว้กับคำพูดของคนอื่นมันจะไม่ปลอดภยัยต้องมีสติควบคุมใจร้าเป็นปกติเขาไว้มันจึงจะปลอดภัยนะต้องมีสตินะสำคัญที่ว่าเราขาดสติรู้ไม่ทันจิตใจเราต่างหาก เราจึงหลงพูดหลงทำไปแล้วก็หลงกลับมาคิดเสียใจทีหลังสติต้องรู้เท่าทันจิตอันนี้เป็นปัญหาไหมที่ทุกคนสมมาิสติไม่ค่อยรู้ทันใจแล้วมันพลาดไปแล้วจริงโอ้เราไม่น่าเลยไม่เป็นไรหรอกเรามีวิธีการวิธีการที่จะให้เกิดสติรู้เท่าทันใจเราง่าย วิธีการนี้ก็เลยหลักการปฏิบัติธรรมนั่นเองอุบายหรือวิธีการที่ไปสู่การเจริญสติไปสู่การรู้เท่าทาันจิตใจเราก็คือต้องอาศัยการทํากรรมฐานะอย่างที่นี่ก็นิยมการปฏิบัติธรรมนะใช่ไหมชมลมศึกษาปฏิบัติธรรมที่จริงมันอันเดียวกันนะศึกษากับปฏิบัติเนี่ยเปนตัวเดียวกันแหละใช่ไหมศีลสิกขาจิเตศิกขาปัญญาสิกขา ติขาคือการเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาอะไรนี้คําเดียวกันแหละศึกษากับปฏิบัติเป็นคําเดียวกันเนีเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการที่จะไปสู่การรู้เท่าทาัน จ, จิตใจเรารู้ท า, ทาันกิเลสเรา<ม>ก็คือการเจริญสติก็ต้องอาศัยรูปแบบรูปแบบการเจริญสติรูปแบบการปฏิบัติตามีมากมายคําว่ารูปแบบนี่คือเป็นสิ่งที่อาจารย์นี่เขาคิดค้นขึ้นมา การรู้ลมหายใจการมีคําบริกรรมการดูอิริยาบถหรือดูกายที่เคลื่อนไหวอันนี้เป็นรูปแบบที่เป็นช่องทางไปสู่การรู้เท่าทันใจเรา mm hmm. ก็ลืนจิตมันต้องมีเครื่องอยู่กันนะเครื่องอยู่เนี่ยก็คือตัวรูปแบบต่างๆต้องมีเครื่องอยู่เป็นการฝึกจิตให้มันเข้มแข็งให้มันอยู่ตรงนี้ก่อนให้มันอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะโดยธรรมชาติจิตของคนเรานี่เป็นธรรมชาติที่ ชอบดิ้นลนกวัดแกงห้ามยากรักษายากมักจะตกไปสู่อารมณ์ที่หน้าใคร่จิตจะไปอยู่เรื่อยจิตจะเลื่อยลอยอยู่เรื่อยไม่อยู่กับ น, นี้ก็ตัววันวันหนึ่งแล้วก็ใช้ควิตแบบนั้นรูปแบบมันช่วยทำให้จิตกลับมามีเครื่องอยู่จิตอยู่กับกายถ้าจิตรู้เรื่องกายเมื่อไหร่แล้วก็มันจะเกิดปัญญาแล้วก็ปลอดภัยไม่หลงไม่กับอารมณ์ รู้เรื่องกายรู้อย่างไรจะต้องมีอุบายการปฏิบัติต่างๆอุบายต่างๆนะั้นก็คืออุบายที่คิดค้นขึ้นมาไม่อยากก่างการเราจะเขียนหนังสือสักตัวเขียนกอไก่เนี่ยเราต้องมีแบบฝึกก่อนใช่ไหมมันจึงจะตรงเดียวสวยแต่พอเราเขียนเป็นแล้วเนี่ยไปเขียนที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมีแบบรูปแบบก็เหมือนกันการฝึกอาศัยรูปแบบก็ต้องมีรูปแบบแล้วก็ไปใช้กับชีวิตประจำวันโดยที่ไม่นองเอารูปแบบติดไปเข้าใจคาว่ารูปแบบนะ ไม่ต้องติดแต่ก็อาศัยเป็นเครื่องอยู่ชั่วขณะหนึ่งเพราะ ง, งั้นจิตมันจะพุ่งสร้างเรื่อนลอยจัดระเบียบจิตไม่ได้จิตไม่เป็นระเบียบวันนี้อยากจะแนะนํารูปแบบการเจารสติสักรูปแบบหนึ่งที่ชํานาญที่เคยแนะนําอื่นมาแล้วก็ได้ผลคือการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวของหลวงพ่อเตียนจิตตสุโภเป็นผู้ที่คิดค้นเรื่องการเจารสติแบบเคลื่อนไหว ในท่าสิบสีจังหวะปึกหน่อยนะมันจะได้มีแอคชั่นมีการเคลื่อนไหวถ้ากลายเคลื่อนนะจิตมันจะไม่หน่อยเลยอาศัยการจิตสติผ่านกายที่มันเคลื่อนไหวเพื่อเป็นอบายให้เห็นจิตใจที่มันคิดนึกปรุงแต่งเอากายเป็นเครื่องอยู่กันให้จิตมันตั้งมั่นอยู่ที่กายไปเอาลองดูนะนีะ่สิบสี่จังหวะเอามือวางไว้ไม่ต้องหลับตา ทำใจให้สบายสบายไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้คำบริกรรมไม่ต้องพิจารณาทั้งสิ้นใช้เพียงภาตรู้ตามธรรมชาติคือ้าตรู้สึกรู้สึกตัวรู้สึกตัวอ น, นี้ง่ายๆนะทำสบายไม่ต้องเกร็งนะเหยียดนิ้วมือออกนะพลิกมือขวาในท่าตะแคงรู้สึกนะ ยกมือขวาขึ้นมารู้สึกให้เป็นจังหวะเอามือขวามาไว้ที่สะดือพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาให้รู้สึกเอามือซ้ายทับไว้ที่มือขวาเลื่อนมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกให้รู้สึกนะเอามือขวามาด้านข้างรู้สึก ลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำมือขวาลงให้รู้สึกนะเลื่อนมือซ้ายมาที่หน้าอกเอามือซ้ายมาด้านข้าลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำมือซ้ายลงพลิกมือขวาให้รู้สึกยกขึ้นมาให้รู้สึกเอามือขวามาไว้ที่สะดือพลิกมือซ้าย ตะแคงว่ายกขึ้นมาเอามือซ er ้ายท้าไปที่มือขวาให้รู้สึกตัวนะเลื่อนมือขวามาที่หน้าอกเอามือขวามาด้านข้างลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงกว่ามือขวาลงเลื่อนมือซ้ายมาที่หน้าอกเอามือซ้ายมาด้านข้างให้รู้สึกตัวนะลดมือซ้ายลงมาที่ฐานท่าตะแคงกว่ามือซ้ายลง ทำเป็นจังหวะจังหวะให้รู้สึกรู้เบาๆนะอย่าไปเพ่งอย่าไปอยู่รู้เฉยๆให้เป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะให้รู้เป็นจังหวะเคื่อนทุกครั้งให้รู้สึกหยุดก็ให้รู้ทำเป็นจังหวะนะมีการเคลื่อนมีการหยุดมีการเคลื่อนมีการหยุด ให้รู้สึกเป็นจังหวะจังหวะที่มันหยุดอย่าไปเกรงนะทำแบบสบายๆแบบผ่อนคลายรู้แบบผ่อนคลายรู้เล่ น, เล น, เลน au, ๆเบาๆรู้แบบดูดูรู้อยู่ห่างๆอย่าเข้าไปจับอย่าเข้าไปจี้ให้รู้สึกที่มันเคลื่อนรู้ที่มันหยุดรู้เป็นขณะขณะไปมันหลงไปแล้วก็ทิ้งไปแล้วกลับมารู้สึกใหม่ อย่าไปเพ่งมันนะรูปแบบผ่อนคลายอย่าไปเกรงมือคลายคลายเ บ, au, บ au, าๆจะได้ทำได้นานเวลาปฏิบัติจะได้ทำได้นานอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งแล้วแต่จลิตบางคนบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบไม่เป็นไรหรอกมันเป็นแบบฝึกที่ทําให้เรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับกายอันนี้เป็นท่านั่งเดินจงกรมก็เหมือนกันนะการเดินให้รู้สึกแต่ละก้าวให้รู้สิกรู้สึก ก้าวไปไม่ต้องใช้คำบริกรรมเลยหรอกพอก้าวไปก็รู้สึกขณะปัจจุบันนั้นว่ากายมันเคลื่อนรู้ว่ามันเคลื่อนให้รู้แบบบบาๆอย่าไปเกลง็งถ้าไปเพ่งแล้วมันจะเครียดรู้เล่นๆแบบผ่อนคลายสักแต่ว่ารู้รู้แบบไม่รู้อะไรอย่างนี้แหละมันเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้เป็นจังหวะจังหวะสติจะเกิดขึ้นเป็นขณะขณะขณะ มเมื่อมันหลงลืมไปแล้วก็แล้วไปเราก็มาเริ่มต้นรู้ใหม่หน็นไ่มธรรมดามันต้องหลงมันต้องลืมแล้วกลับมารู้ใหม่หลงไปทีใดก็กลับมารู้ใหม่ทุกครั้งการรู้ใหม่รู้ใหม่จิตดวงใหม่มันเกิดขึ้นจิตหลงเกิดขึ้นหายไปแล้วจิตดวงใหม่ที่มารู้สึกเกิดขึ้นเราจะมีชีวิตที่ใหม่ตามจิตดวงใหม่อยู่เรื่อยจิตเนี่ยมันเกิดมันเกิดแล้วมันดับเกิดดับกิดับตลอดเพราะนั้นให้มันรู้สึกเริ่มต้นใหม่ การปฏิบัติธรรมเริ่มต้นใหม่เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากแต่การทํางานทางโรคเนี่ยเริ่มต้นใหม่ถือว่าล้มเหลวมันหานา น, นีปฏิบัติทํามไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่เมื่อหลงไปแล้วก็แล้วไปไปอดีตไปมาเริ่มต้นรู้ใหม่รู้ใหม่นี่ชิตมันจะใหม่ตรงเนี้ฝึกบ่อยเนี่ยเราจะเห็นจิตใจที่มันคิดนะเพราะฝึกรู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะรู้เรื่องของกายจะรู้เรื่องของกายฝึกนานจะรู้เรื่องของกายว่อ๋อกายเนี่ย มันมีแต่ความทุกข์กายบ่งบอกว่ามีแต่ความทุกข์กายเป็นทุกข์เรากายเป็นผู้ที่เห็นทุกข์ไม่ใช่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์ความปวดความเมื่อยยกไปน้ำนาก็เมื่อยอันนี้ทุกข์ของกายนี่ถ้าดูนะถ้าเราดูมันเห็นว่ากายเป็นทุกข์แต่เป็นผู้ดูกายเป็นผู้ทุกข์มันหิวมันกระหายมันร้อนมันหนาวเป็นเรื่องของกายทั้งนั้นเลยมันป่วยมันไข้ มันแก่มันเจ็บมันอ้วนมันอะไรมันไม่สวยเป็นเรื่องของกายทั้งหมดเลยชีวิตเลยกลายเป็นผู้ดูไปเลยไม่ได้เข้าไปเป็นกายนะมันแยกเอ็นทุกข์ของกายกายศัพท์ว่ากายไม่ใช่ัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นเป็นแต่ละเห็งความไม่เที่ยงของกายเห็นความที่บังคับบัญชาไม่ได้ของกายแต่เรากลายเป็นผู้ที่มีสติผู้ที่มีปัญญาเห็นตามที่กายเป็นจริง ไม่ได้เห็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นจะเห็นตามที่มันเป็นต่างกันนะเห็นอยากให้มันเป็นเนี่ยมันเป็นตัญหาเห็นตามที่มันเป็นนี่มันเป็นปัญญาต่างกันเนี่ยพอเห็นกายบ่อยเนี่ยมันจะเกิดสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตจะเริ่มมีฐานมีที่ตั้งจะเริ่มตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะไปเห็นอารมณ์ที่มันผ่านจรมาสู่จิตซึ่งไม่ใช่จิต จะตสติรู้กายเป็นบ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นในความคิดที่เป็นราคะโทสะโมหะความพอใจไม่พอใจมันปรากฏขึ้นผ่านหน้าผ่านตาไปอาศัยกายเคลื่อนไหวเป็นเป้ารอ่อให้จิตมันคิดออกมานั่นกายเป็นแบบไม่ใช่ไปห้ามความคิดนะไม่ได้ห้ามอะไรทั้งนั้นเลยปล่อยทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นตามปกติแล้วก็มารู้สึกตัวรู้สึกตัวแบบ สังเกตดูอารมณ์มันปรากฏเราจะเห็นจิตเราเนี่ยบางทีมันก็ชอบใจบางทีก็ไม่ชอบใจบางทีจิตมันก็เป็นสุขบางทีมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมบางทีมันก็ดีมันก็ไม่ดีมันเป็นเรื่องของจิตทุ่ล้วนๆเลยเห็นว่าอันนั้นเป็นเรื่องของจิตมันไม่ใช่เรื่องของเราสุขทุกข์เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรานี่มันอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เลยนะเหนือสุขเหนือทุกข์นี่มันนิพพานนะ เป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้รับรู้รับทราบแต่ไม่ได้เข้าไปเป็นกับสิ่งเหล่านั้นอาศัยกายเป็นเป้าล่อให้จิตมันตั้งมั่นแล้วก็รู้ทันความคิดเราจะเห็นว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเนี่ยมันมีราคาเท่ากันมันมีราคาเท่ากันที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงหรอกมันเกิดมาชั่ววูบแล้วมันก็ดับไปเลย เพราะนั้นเราจะไม่มีความยึดติดแม้กระทั่งจิตที่มันคิดนึกแต่ว่ารู้ทันแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้คิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ได้คิดแก้ปัญหาก็ได้จับเอาความคิดที่มันคิดปรุงแต่งเอามาใช้ประโยชน์เอามาคิดค้นเอามาแก้ปัญหาเราเพราะฉะนั้นสุขทุกข์ที่เกิดในจิตใจเนี่ยมันมีราคาเท่ากันคืออยู่ในกรฎไปรักทั้งสิ้นเราจะรู้จักเรื่องของกายเรื่องของจิตอยู่ตรงนี้นะเห็นกายเห็นจิต ว่าสักแต่ว่ากายกายสักแต่ว่ากายไม่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตสักแต่ว่าจิตไม่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันจะรู้จักตัวตนตรงนี้นะรู้จักตัวต่อเมื่อเห็นความไม่มีตัวตนจะรู้จักตัวต่อเมอเห็าไม่มีตัวตนตัวเราไม่มีหรอกมันเป็นแบบฆ่าตามธรรมชาติมีเรื่องของกายแลื่จิตที่มันทําหน้าที่สติปัญญาเป็นเพียงแค่ผู้รับรู้รับทราบ มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงก็ใช้ตัวตนเนี่ยโดยสมมุติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนไทยเป็นชายเป็นหญิงใช้สมมุติของตัวตนนี้ให้เป็นประโยชน์เกือกูลคนอื่นแล้วก็ตัวเราจะรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นแล้วมันมีความสุขนะถ้ารู้จักตัวเราเนี่ยเราก็จะมีความสุขเลยความสุขอะไรไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการมารู้จักตัวเรามันเป็นความสุขที่ไม่ใช่ความสุขธรรมดา เป็นความสุขที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำความสุขสูงสุดคือความสุขที่ไม่ถูกกิเลสปรุงแต่งเป็นความสุขสูงสุดเป็นสุขสงบเย็นเป็นสุขในนิพพานเป็นที่พุทธภาษิตกล่าวว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งจิตที่เป็นปกติเนี่ยเป็นจิตที่ใกล้เคียงนิพพานมากที่สุดเลยจิตที่เป็นปกตินี่ รับรองว่าร่างกายนี่ยมันไม่เป็นโรคนะจิตทำให้สุขภาพกายดีนะถ้าสุขภาพจิตดีและสุขภาพกายก็ดีโรคมะเร็งโรคต่างๆโรคเบาหวานโรคความ น, นโรคหัวใจไม่ถามหาโรคไมเกรนก็หายได้ถ้าจิตเป็นปกติจิตที่บริสุทธิ์ที่เป็นปกติมันช่วยกายช่วยรักษากายช่วยตัวเราก่อนแล้วก็ค่อยแบ่งปันคนอื่นเพราะนั้นการศึกษาตัวเราเนี่ย มันมีประโยชน์มากเรียนรู้ตัวเราด้วยการเลื่นเมื่ชี้ดิการจญสติอยู่เสมอเสมอดูกายดูใจเวลาว่างก็ไปฝึกความรู้สึกตัวแบบเคลื่อนไหวก็ได้ดูลมหายใจก็ได้ให้มีสติกรรมฐานทุกอย่างต้องมีสติรู้สึกตัวถ้าขาดสติรู้สึกในตัวเราไม่แล้วก็ไม่ใช่กรรมฐานไม่ใช่หลักของการปฏิบัติมันจะหลงไปแล้วบรรลุเมื่อรู้ตัว เ, เนี่ยเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยเรา ถือว่าโชคดีนะเนี่ยที่เราได้เกิดมาจนถึงทุกวันนี้เราไม่ได้เป็นคนพิการด้วยและสุขภาพร่างกายก็รู้สึกจะดีเนี่ยไม่มีโรคภายก็เจ็บเบียดเบียนโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่2009ยังมาไม่ถึงเรายังโชคดียังมีโอกาสอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตที่โชคดีแบบนี้พู้ตองกล่าวไว้ว่าคนที่ไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาบอย่างยิ่ง เป็นราดอย่างยิ่งแล้วที่เรามีสุขภาพดีอย่างนี้อย่าไปคิดอะไรให้มันเป็นทุกข์เลยดีแล้วพอใจในที่เราทําพอใจในผลงานที่เราทําแล้วก็ค่อยๆพัฒนางานพัฒนาใจเราขึ้นโดยเฉพาะจิตใจเพราะฉะนั้นเวลาที่ยังเหลืออยู่ในช่วงที่เรายังไม่ตายยังไม่ตายนะตายมาเมื่อไหร่นี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวไว้เก็บเกี่ยวกําไรในช่วงปูสูงอยูอาจจะเป็นช่วงสั้นๆ แชื่อตั้งแต่เก็บเกี่ยวกำไรโดยการมาศึกษาตัวเรามาเรียนรู้เรื่องตัวเราการเรียนรู้ตัวเรานั้นสรุปมีอยู่สามอย่างคือสังเกตดูคนรอบข้างว่าเขาทาปฏิญากรรมอย่างไรแต่ไม่ตาหนินะแค่ดูเฉยๆอ๋อเราคงจะเป็นคนที่พูดไม่เพลาะเขาจึงพูดกับเราไม่เพลาะเราเป็นคนที่ไม่เคยให้อะไรใครเลยคนจึงไม่ค่อยให้รเราเพราะเราไม่มีน้ำใจเ ข, เขาจึงแห้งแล้งกับเรา เราช่วยเหลือเขามากมากเขาก็ช่วยเหลือกลับมาสังเกตดูคร่าวๆแต่ยอย่าจริงจังนะกาลยาณมิตรที่ตักเตือนเราถือว่าชี้คุ้มทรัพย์ให้เราขอบคุณเขาชี้คุ้มทัพย์เราก็เปิดใจรับฟังไว้ก่อนเชื่อไม่เชื่อฟังไว้ก่อนแล้วแอบไปคิดเอาจริงหรือเปล่าเราแล้วค่อยแก้ไขวิธีที่สามก็คือเฝ้าสังเกตดูตัวเราที่กายที่ใจด้วยความรู้สึกตัวอันนี้ตรงที่สุดเลย ใครพูดยังไงก็ไม่กริงท่ากับเรามารู้จักตัวเราไม่มีใครรู้เราเท่ากับเรารู้เราเหรอกการปฏิบัติใช้ชีวิตแบบมีสติอยู่เสมอๆเอนี่ยเป็นการเรียนรู้ชีวิตศึกษาตัวเราเราจะพบกับความสุขที่สุดในชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนความทุกข์จะไม่กั้มกรายเป็นโอกาสดีนะเก็บเกี่ยวกําไรชีวิตซนะก่อนที่จะไม่มีชีวิตให้เรียนรู้นะ เรียนรู้เลยชีวิตซกรที่จะไม่มีชีวิตเรียนรู้รนะนี่ก็ขออนุโมทนากับเจ้าหน้าที่พนักงานชาวคณะสมาชิกชมลมศึกษาปฏิบัติธรรมธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้มีความสนใจฟังธรรมะจัดการอบรมทำอยู่เสมอเสมอทุกเดือนว่านะขออนุโมทนาทุกๆท่านสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้กับทุกๆท่านเนี่ย ก็มีความเจริญในธรรมเนี่ยมีสติปัญญาใช้ชวิตแบบผาสุขปราศจากความทุกข์ด้วยการทุกท่านทุกคนเถิด